นักศึกษานิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายได้ไปต่อในรายการชนช้างกราฟิกปีสรายการแข่งขันด้านกราฟิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทีมโพศโพแนันมนทีรามนกลางและแบงค์อาชาคริตงดสันเทียนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชานิเทศศิลป์คณะศิลปรกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมทรอีสานผ่านการคัดเลือกในการประกวดออกแบบกราฟิก จาก91ทีมทั่วประเทศกลายเป็น1ใน6ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชัยในรายการชนช้างกราฟิกกราฟิกดีไซน์แบทโชว์ครั้งที่4ซึ่งเป็นรายการแข่งขันด้านกราฟิกเพื่อชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีการจัดแข่งขันมาแล้ว3ครั้งและในครั้งที่3นักศึกษาจากมทรอยสานคว้ามาได้ถึง2รางวัลคือรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับส รบในครั้งที่4นี้น้องๆจากคณะศิลปรกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ม, มทรศารจะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้อีกหรือไม่มาร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้ทีมโพดโพได้ทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ออกอากาศทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่2กุมภาพันธ์6 2ไปจนถึงวันเสาร์ที่23มีนาคมสอหรหรือติดตามผ่าน ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กชนช้างกราฟิกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประธานกมทเผยผลการพิจารณาระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและพัทยาพร้อมแก้ไขาการจัดการจราจรสนับสนุนงบประมาณให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพิจรารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยพลเอกไัยชยนต์ค้าทันเจริญประธานกรรมการที่การพิจารณาเปิดเผยว่าได้มีการปรับแก้คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารกทมและนายกเมืองพัทยาจากเดิมที่ต้องอายุไม่ต่ำกว่า30ปีเป็นอายุไม่ต่ำกว่า35ปีขึ้นไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระจากนั้นต้องเว้นวัก4ปีจึงจะกลับมาสมัครใหม่ได้อีกครั้ง ส่วนวุฒิการศึกษาผู้ว่าราชการกทมจะต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและเมื่อพ้นตำแหน่งไปแล้วจะถูกตรวจสอบย้อนหลังและวินิจฉัยได้หากพบว่ากระทำผิดรวมถึงได้แก้ไขเรื่องอำนาจหน้าที่ของกอทมและเมืองพัทยาให้จัดการจราจรโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานีตำรวจและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ คาดว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสนชในวาระที่2และ3ได้ภายในสัปดาห์หน้าหรือต้นเดือนมกราคม2562ส่วนวันเลือกตั้งนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป